เงือมหัดมัจจุราชพระพุทธภาสิทธนาะอันตลิเคณนะสมุดดะมัจเฉณาปะบะตาหนังวิเวรังปวิสัสนะวิชา เ, เตโซชักคติปเดโซยัดรัดทีตังนาะปหเฮียมัจุแปลความว่าไม่ว่าในกลางหาวหรือถ้ำกลางมหาสมุทรหรือระหว่างช่องภูเขาแผ่นดินที่มัจจุราชเอื้อมมือไปไม่ถึงนั้นมิได้มีอธิบายความ มัจจุราชคือความตายมีอนุภาคยิงใหญ่กว่าใครหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะหนีไปที่ใดย่อมไม่พ้นเนื้อมหัดของพญามัจจุราชได้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งในปา่าในอากาศและในน้ำบนพื้นดินอยู่ในอำนาจของท่านสิน้นไม่ว่าคนชั้นใดจะเป็นราชาหรือยาจกคนเลวหรือคนดีหนุ่มหรือแก่ไม่พ้นมือมัจจุราชทั้งสิน้นทหาราจะมหันตจะเยพาลาเยจพันฑิตา สัพเพเ ต, เตมจุวะสั้งยันติสัพเพมจุปราญนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนพาลและบัณฑิตทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของมัจจุราชทั้งหมดมีความตายดักอยู่เบื้องหน้าเมื่อความตายมาถึงเข้าทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแม้แต่สรีระของตนอันเป็นที่รักที่หวงแขนคอยประครบประงมให้ข้าวให้น้ำให้อาบก็ไม่สามารถเอาไปได้สริระนี้ถ้าไห่เป็นที่รองรับความดีแล้วก็เป็นของเลว อย่างหนึ่งแค่ความทุกข์มากให้ความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นภาระอันไม่รู้จักจบสิน้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่าขันธมารเป็นภาระอย่างหนักเรียกว่าขันธภาระนาถิขันธสมาดุขฆ่าไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์กล่าวคือขันธห้าอันยนกล่าวเปน็นสองคือนามและโลกพึงทราบภาระสองและมารห้าก่อนเพื่อความแจ่มแจ้งในการอธิบายต่อไป ภาระสองคือหนึ่งขันธภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวด้วยขันห้ากล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่นกล่าวลงเป็นสองได้แก่รูปและนามวันหนึ่งหนึ่งของมนุษย์หมดไปด้วยการบริหารขันเอาใจขันขันหิวขันกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะร้อนต้องอาบน้วต้องหม่มผ้าหิวต้องให้บริโภคกระหายต้องให้ดื่มนอกจากนี้ยังต้องตามใจนามอีกคือเวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นภาระเหล่านี้ไม่รู้จักหมดสิ้นจนกว่าจะตายสองกิเลสภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวกับกิเลสเช่นราคะโทสะและโมหะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริวารของกิเลสทั้งสามนี้อีกมากมายเช่นความพริศยาความพยาบาทความตรณีความผินเกตตัวเป็นต้นกิเลสเหล่านี้เป็นภาระของใจคือทําให้ใจมีภาระไม่อิสระปลอดโปร่งได้มันเป็นเหมือนหินถ่วงใจให้หนัก เหมือนตะปูตรึงใจให้แน่นด้วยอารมณ์โลกพระพุทธองค์จึงเรียกว่าเจโตขีละแปลว่าตะปูตรึงใจถ้าลองพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมเถิดความหนักอกหนักใจของคนทั้งหลายมาจากอะไรถ้าสอบสวนดูจะเห็นว่ามาจากกิเลสตัวใดตัวหนึ่งมีกิเลสเป็นรากฐานเป็นพื้นราคะหรือโทสะหรือโมหะอันนี้เป็นภาระดูเหมือนจะยิ่งกว่าขันธภาระเสียอีกเพราะมีอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสาย การปรงภาระทั้งสองอย่างนี้เสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งสมดังพระพุทธพจน์ว่าภาระทานังดุก ข, ขั้งโลเกภาระนิเคปนังสุขขัง้งการยึดภาระเป็นทุกข์ในโลกส่วนการทิ้งภาระเสียเป็นความสุขทรงหมายเอาขันธภาระและกิเลสภาระนี้เองมานห้ามานคือสภาพที่ล่างฐานคุณความดีของคนแปลว่าอุปสรรคก็ได้แต่ความหมายพื้นไป แปลว่าสภาพตีล้างผลาญคุณความดีดีกว่าโลกของเรามีของแก้กันอยู่เสมอมีร้อนมีเย็นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขและมีชั่วมีดีเป็นต้นโลกเป็นของคู่จับกันเป็นคู่คู่พอพ้นจากความเป็นคู่ก็เป็นภาวะอันสูงสุดเป็นสิ่งสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อมีมารก็มีธรรมที่ฆ่ามารทั้งมารและธรรมที่ฆ่ามารยังเป็นโลกีเกี่ยวเนื่องอยู่กับโลก ต่อไปนี้ข อ, อกล่าวถึงมารห้าโดยสังเกตหนึ่งขันธมารคือเบญจขันธกิเลสมารคือกิเลส 3. อภิสังขารมารคืออภิสังขาร 4. มัจจุมารคือความตายหเทวปุตตมารคือเทพพระบุประการที่หนึ่งได้อธิบายมาบ้างแล้วว่าขันห้าเป็นภาระเพียงใดมันเป็นมารเพราะเป็นสาเหตุแห่งทุกนาน า, นาประการเป็นที่รองรับทุก ปราตจากปัญจขันเสียแล้วความทุกข์ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยปัญจขันจึงเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆจึงจัดเป็นมาร อ, อย่างหนึ่งประการที่สองกิเลสมานั้นได้อธิบายบ้างแล้วในเรื่องกิเลสภาระกิเลสเป็นตัวการสาคัญแห่งความทุกข์ทั้งมวลเป็นต้นเขาแห่งความชั่วทุกอย่างการทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วนั้นเพราะมีกิเลสเป็นมูลเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลัง คนจะทำความดีแต่ทำได้ไม่ตลอดหรือไม่สามารถทำให้ดีเท่าที่ต้องการได้ก็เพราะกิเลสนี้เองมันเป็นสภาพที่เป็นปรผักอย่างร้ายแรงและโดยตรงต่อความดีงามดังนั้นจึงจัดเป็นมารประการที่สอภิสังขารมานั้นท่านหมายเอาสภาพที่พลงจิตให้เป็นบาปอากุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนั่นเองเป็นสิ่งกลางกั้นคุณงามความดี โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกั้นจิตให้เขินห่างจากสมาธิในที่อื่นเมื่อพูดถึงอภิสังขารท่านหมายเอาทั้งบุญและบาปทั้งที่ปรุงให้ดีและให้ชั่วความดีเป็นบวงอย่างหนึ่งเหมือนกันความชั่วก็เป็นบวงลองนึกถึงโซ่ที่ทาด้วยเหล็กและโซ่ที่ทําด้วยทองคําแม้สิ่งที่นํามาจะตนำมาทำจะต่างกันแต่มันก็คือโซ่นั่นเองมีอนุภาพในการผูกมัดเหมือนกันมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่ต้องตายเพราะทองคํา ไปแย่งทองคําผู้อื่นบ้างถูกแย่งทองคําจากตนบ้างภาราที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงชี้ไปที่ความหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งดีและชั่วปุญยะปาปะไฟหีโนผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปเป็นคุณบทอย่างหนึ่งของพระอระหันต์ประการที่สความตายคนบางคนอยู่ในวัยที่กําลังทําคุณงามความดีได้มากและกําลังทําความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อสังคมต่อประเทศชาติ แต่ความตายมาพลากเอาไปเสียอย่างนี้จะไม่ให้เรียกความตายว่าเป็นมาแล้วจะให้เรียกอย่างไรอันหนึ่งบางคนมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมหรือก้าวขึ้นสู่ความดีอย่างสูงแต่มัจจุราชก็มาพาตัวไปเสียก่อนตัวอย่างในประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือท่านอาลาระดาบทและอุทกาดาบทถ้าท่านทั้งสองไม่ด่วนตายเสียก่อนมีชีวิตอยู่จนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนเพราะได้อุปโภกิจมาอย่างสูงแล้ว หมอแก่การรับธรรมเทศนาเพื่อการตรัสรู้มีตัวอย่างอื่นๆอีกมากประการที่ห้าเทวปุตตมานท่านหมายเอาเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิคอยกลางกั้นกันแกล้งคนทำความดีนี่ให้โอกาสอันงามแก่ผู้ทังใจทำความดีตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้นอกจากมารสี่อย่างข้างตนแล้วสิงขัดขวางอื่นๆเรียกว่าเทวปุตตมานได้ทั้งหมด เช่นผู้ใหญ่ที่มีจิตริษยาขัดขวางการทําความดีของผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ที่รู้เท่าไม่ถึงการนําผู้น้อยไปในทางผิดสามีที่คอยล้างฟรานคุณความดีของพันยาหรือพันยาที่ขัดขวางความรุ่งเรืองก้าวหน้าของสามีลูกที่ทําลายเกียรติยศของวงศ์สกุลเป็นต้นสิ่งดังกล่าวมาทั้ง5ประการนี้เป็นมารคอยขวางกัน้นความก้าวหน้าของมนุษย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งด้านความเจริญอย่างโลกโลกและความเจริญทาง จ, จิตใจ คนที่จะก้าวไปสูงจะต้องรบขับมารและชนะมารได้แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจะตรัสรุกก็ต้องทรงรบขับมารพระองค์ได้ชัยชนะจึงทรงพระนามอย่างหนึ่งว่าพระพิชิตมารย้อนกล่าวถึงเรื่องความตายตามพระคาถาเบื้องต้นที่ว่าจะอยู่แห่งขนตะมนใดในท้องฟ้ามาหาสมุทรภูเขาลำน้ำไพรหรือที่ใดก็ตามย่อมไม่มีโอกาสพ้นจากความตายไปได้ พระคาถานี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่นิโครทารามเมืองกบิลพัททรงปราบพระเจ้าสุปะพุทธมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าสุปะพุทธสากยะพระเจ้าสุปะพุทธสากยะนั้นผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเรื่องสองเรื่องคือ1พระศาสดาทรงทอดทิ้งพระนางยโสธราออกบวชพระนางยโสธราเป็นธีดาของพระเจ้าสุปพุทธสอเมื่อพระเทวทัตออกบวช พระเทวทัตตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุปปาพุทธะพระเจ้าสุปปาพุทธะทรงดำริอยู่อย่างนี้จึงโกรธแค้นในพระพุทธเจ้ามากวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเสวยในที่นิมนต์แห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุสาวกจำนวนมากพระเจ้าสุปปาพุทธะเสด็จมาประทับนั่งขวางทางอยู่พวกราชบริษกราบทูลว่าพระศาสดาเสด็จมาพระเจ้าสุปปาพุทธะตรัสว่า พวกเจ้าจะโล่งหน้าไปก่อนไปบอกพระสมณะโคดมว่าพระสมณะโคดมหาใหญ่กว่าเราไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ทางแก่พระสมณะโคดมนั้นดังนี้แล้วนั่งสเสวยน้ําจันทเฉยอยู่น้ําจันก็คือเหล้าแม้พวกมหาเด็กตะทูนขอให้หลีกทางสักเท่าใดก็าหาทรงยินยอมไม่พระาศาสดาเมื่อมาได้ทางก็เสด็จกลับพระเจ้าสุภพุท ธ, ธทรงทรงจาระบุรุษไปว่าลองไปฟังดูว่า พระสมณโคดมตรัสอะไรบ้างพระศาสดาเสด็จกลับมาทรงแย้มพระอดเล็กน้อยพระอานุทูลถามว่าทรงแย้มพระโอดเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในวันที่เจ็ดนับแต่วันนี้พระเจ้าสุภพุทธจะถูกแผ่นดินสูบที่ใกล้เชิงบันไดภายในปราสาทนั่นเองราชบุรุษกลับมาทูลความนั้นแด่พระเจ้าสุภพุทธพระองค์ตรัสว่าต่อไปนี้ เราจะจับผิดในคำของพระสรมณะโคดมดังนี้เสด็จขึ้นอยู่บนประสาทชั้นที่เจ็ดทรงตั้งยามรักษาการไว้เลือกแต่ผู้มีกำลังดีทั้งสิ้นรับสั่งว่าหากพระองค์จะเสด็จลงไปด้วยความพลังเผลอก็ให้ช่วยกันดึงไว้อย่าให้ลงไปจนกระทั่งถึงวันที่แปดพระศาสดาทรงสลับเรื่องนั้นแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าสุภพุท ธ, ธะอย่าว่าแต่เพียงนั่งอยู่บนประสาทเลยแม้จะหาะขึ้นไปในอากาศ เด่นเรือไปในมาหาสมุทรก็ตามเข้าไปอยู่ในซอกเขาก็ตามจะต้องถูกแผ่นดินสุขในที่ที่เรากล่าวแล้วนั่นเองคำพูดของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เป็นสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าณอันตริเคณสมุดดเชมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพอถึงวันที่เจ็ดเวลาเดียวกับเวลาที่พระเจ้าสุพุทธประทับขวางทางพระศาสดานั่นเอง มามงคลของพระเจ้าสุภพุทธะขนองกระแทกฝาต่างๆไม่มีใครปราบได้ต้องไดเห็นพระเจ้าสุภพุทธะมานั้นจึงจะหยุดพระเจ้าสุภพุท ธ, ธสะสับเสียงนั้นทรงทราบความแล้วทรงลืมเรื่องอื่นทั้งหมดเสด็จลุกขึ้นจะไปปราบมา้าประตูก็เปิดออกยามรักษาการที่ทรงตั้งไว้ประตูละสองคนม่ได้หยุดยั้งพระองค์เลยตรงกันข้ามกลับจับพระองค์โยนลงมาเป็นเท่าทอนจนถึงเชิงบันไดปราศาส แผ่นดินแยกออกสู่พระเจ้าสุภ ป, ปุษฏะลงไปยังอเวจีมหานรกข้อสงสัยข้าพเจ้าสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งคือในตำนานบอกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าสุภพุทธะเสด็จขึ้นไปประทับบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วทรงให้ผลักบันไดเสียในวันที่เจ็ดเมื่อถึงวาราธิกรรมจะให้ผลบันไดกลับตั้งขึ้นเองข้าพเจ้าสงสัยว่าปราสาทอย่างใดจึงถักบันไดได้ประสาทราชวังของกษัตริย์น่าจะเป็นบันไดาถาวร ไม่ใช่บ้านคนจนที่ใช้บันไดไม้พาดเอาอันหนึ่งทราบว่าการก่อสร้างในอินเดียตั้งแต่โบราณนิยมใช้อีกแม้บัดนี้ก็ใช้อิฐเป็นพื้นท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียหลายแห่งยังไม่เคยเห็นบ้านไม้ล้วนๆเลยถ้างมีก็เป็นกระสอบเล็กๆที่มีแต่เสาสี่เสาหลังคามุงใบไม้ที่เรียกในวันคลีว่าบรรนาาราอิฐอินเดียนั้นมั่นคงแข็งแรงและเกินดินฟ้าอากาศที่ร้อนจัดและหนาวจัดนั้นบังคับให้ต้องใช้อิฐสร้างบ้าน ถ้าเป็นบ้านไม้คนอาศัยคงทนหนาวร้อนไม่ไหวเป็นแน่